บริษเเพอนุจานะเรื่องทรงอนุญาตรั้วล้อมอารามสมัยนั้นอารามไม่มีรั้วล้อมแพะบ้างปศุสัตว์บ้างทําทสิ่งที่ปลูกไว้เสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรั้วสามชนิดคือรั้วไม้ไผ่รั้วหนามคู ซุ้มประตูไม่มีแพะและปศุสัตว์ก็ยังทําสิ่งที่ปลูกไว้เสียหายเหมือนเดิมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตซุ้มประตูไม้เคราบานประตูคู่เสารเนียดกรอนเหล็กพงหญ้าตกเลือนที่ซุ้มประตูพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเครื่องมุงหรือไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องมงห้าชนิดคือกระเบื้องศิลาปูนขาวหญ้าใบไม้พอถมพาณวาระจบ พุทิยะพานวาระอนาถปิณิกะวัตถุว่าด้วยเรื่องอนาถปิณิกข้าบดีสมัยนั้นอนาถปิณิกข้าบดีเป็นน้องเขยของเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ครั้งนั้นอนาถปิณิกข้าบดีได้เดินทางไปกรุงราชครื้ด้วยกรณีเกิดบางอย่างเศรษฐีชาวกรุงราชคฤื้ได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้สั่งทาาและกรรมกรว่าท่านทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเต่นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงเชื่อกันจัดเตรียมแกงออมขณะนั้นอนาถาปิณิกะข้าพดีได้มีความคิดอย่างนี้ว่าคราวก่อนเมื่อเรามาข้าพดีท่านนี้ทำธุระเสร็จก็สนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวเวลานี้ เขามีท่าทีวุ่นวายสั่งทาาและกรรมกรว่าพวกท่านจงเตื่นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อมข้าบดีนี้น่าจะมีงานอาวหะมงคลวิวาหะมงคลมหายันพิธีหรือจะทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารยอมทัพมโคตรรัฐพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้กระมังครั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครื้ สั่งท่าและกรรมกรแล้วเข้าไปหาอนาถเบนิกะข้าพเดีถึงที่ครั้นถึงแล้วได้สนทนากับอนาถเบนิกะข้าพเดีแล้วนั่งณที่สมควรอนาถเบณิกะข้าพดีได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครือดังนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาคราวก่อนท่านทําธุระเสร็จก็สนทนาปราศัยกับข้าพเจ้าผู้เดียวเวลานี้ท่านมีท่าทีวุ่นวายสั่งทาาและกรรมกรว่า พวกท่านจงตื่นแต่เช้าตรู่ต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงช่วยกันจัดเตรียมแกงอ่อมท่านคงจะมีงานอวาหะมงคลวิวาหะมงคลมหายันพิธีหรือจะทูลเชิญพระเจ้าปิมพิสารจอมทัพมครรัฐพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้กระมังเศรษฐีชาวกรุงราชครึกตอบว่าข้าพระเจ้าไม่มีงานอวาหามงคลหรือวิวาหะมงคล ทังไม่ได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเพ็ญพิสารจอมทัพมโคตรัตพร้อมด้วยกองทัพมาเลี้ยงอาหารในวันพรุ่งนี้ที่จริงข้าพเจ้าจะประกอบมหายันพิธีคือนิ ม, มนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้อนนาทะเป็นยกระข้าพดีถามว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศติ้วชาวกรุงราชคลึตอบว่ า, ข, าข้าพเดียข้าพเจ้ากล่าวว่า พระ พ, พุทธเจ้าอนาถปิเนกกะข้าพเดีถามซ้ำว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศถี๋ยชาวกรุงราชครื้ตอบว่าข้าพเดียข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าอนาถปิเนกกะข้าพเดีถามซ้ำอีกว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือเศถี๋ยชาวกรุงราชครื้ก็คงตอบว่าข้าพเดียข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้า อนาถเณนิกะข้าพดีกล่าวว่าแม้เสียงประกาศว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก็ยากที่จะได้ยินในโลกท่านข้าพดียข้าพเจ้าสามารถจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในเวลานี้ได้หรือเศรษฐีชาวกรุงราชฤทธ์ตอบว่าข้าพเดีเวลานี้ยังไม่ควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้ท่านจะได้เข้าเฝ้า หลังจากนั้นอนาถาปิเนกะข้าบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่เช้าตรู่เล่ากันว่าข่าบดีเตือนกลางดึกถึงสามครั้งเพราะเข้าใจว่าสว่างแล้วครั้งนั้นท่านอนาถาปิเิกะข้าบดีเดินไปทางประตูป่าศรีตะวันพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ เมื่อท่านอนาถบิณิกกะคาบดีเดินออกจากเมืองไปแล้วแสงสว่างพลันหายไปปรากฏความมืดแทนความกลัวความหวาดสะดุง้งอาการขนพองสยองกล้าวบังเกิดขึ้นท่านอนาถบิณิกกะคาบดีต้องการจะกลับจากที่นั้นขณะนั้นซีวะกะยักษ์หายตัวอยู่ประกาศให้ได้ยินเสียงว่าช้างหนึ่งแสเชือกมาหนึ่งแตัว รถม้าอัสดรหนึ่งแสคันสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสคนก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปก้าวหนึ่งเชิญก้าวไปเถิดข้าพดีท่านก้าวไปดีกว่าอย่าถอยกลับเลยท่านใดนั้นความมืดพลันหายไปแสงสว่างปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถเาบนจคาข้าพดีความกลัวความหวาดสะด้งอาการขนพองสยองกล่าวพลันหายไป แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามแสงสว่างพลันหายไปปรกากฏความมืดแทนความกลัวความหวาดสะดุง้งอาการขนพองสยองกล้าวบังเกิดขึ้นท่านอนาถปิเน ก, กะฆ้าพดีต้องการจะกลับจากที่นั้นแม้ครั้งที่สามสีวะกะยับ ก, ก็หายตัวอยู่แต่ประกาศให้ได้ยินเสียงว่าช้างหนึ่งแสนเชือกม้าหนึ่งแสนตัวรถม้าอัศดรหนึ่งแนคัน สาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนคนก็ยังไม่ถึงี่เสี้ยวที่16แห่งการย่างเท้าไปเก้าหนึ่งเชิญเก้าไปเธอข้าบดีท่านเก้าไปดีกว่าอย่าถอยกลับเลยแม้ครั้งที่สความมืดพลันหายไปแสงสว่างปรากฏแก่ท่านอนาถบิณกะข้าบดีความกลัวความหวาดสะดุึงอาการขนพองสยองกล่าวพลันหายไปลำดับนั้นอนาถบิณกะข้าบดี เดินเข้าไปยังป่าศรีตะวันเช้ามืดวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมที่กลางแจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถปิณิกขะข้าบดีเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ครั้นแล้วได้ตรัส ก, กับท่านอนาถปิณิกะข้าบดีดังนี้ว่ามาเถิดสุทัตตะท่านอนาถปิณิกะข้าบดีรื่นเริงบันเทิงใจว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อเราจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วซบเสียนลงแทบพระยุคลบาทแล้วดรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามผู้ดับกิเลสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อผู้มีติดอยู่ในกามเป็นคนเยือกเย็น ไม่มีอุปธิกกิเลสตัดกิเลสเครื่องข้องได้ทุกอย่างแล้วกำจัดความรกลนกระวายในใจเข้าถึงความสงบย่อมอยู่เป็นสุขลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพิกขาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. สศีลกถาเรื่องศีลสสักขกถ า, าเรื่องสวรรค์สกามาทินวกถา เรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งกามหเนคคำมานิสังสักถาอ น, นิสงแห่งการออกจากกลามแกอนาถเปนเนกะะ้าบดีเมื่อทรงทราบว่าท่านอนาถเปนเนกะะ้าบดีมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามมุกขังเสกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัฒต า, ารเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นท่านอนาถปินนกะข้าพเดี้ทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณกลับไปเศรษฐีชาวกรุงราชครืได้ทราบข่าวว่าท่านอนาถเบนิกะขาพดีนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครืได้กล่าวกับท่านอนาถเบนิกะขาพดีดังนี้ว่าขาพอดีทราบว่า ท่านนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ก็ท่านเป็นอาคันตุกะข้าพเจ้าจะให้ยืมทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของเพื่อจัดทําพัตหารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบิเนกะข้าบดีตอบว่าอย่าเลยข้าบดีทรัพย์ที่จะจับใจ่ายใช้สอยเพื่อจัดทําพัตหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ของขปเจ้ามีพร้อมแล้วชาวนิคมในกรุงราชครือได้ทราบข่าวว่าท่านอนาถเปนิกะข้าพดีนิมนพระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ลําดับนั้นชาวนิคมในกรุงราชครือจึงได้กล่าวกับอนาถเปนิกะข้าพดีดังนี้วา่าข้าพดีทราบว่าท่านนิมน์พระสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพื่อจเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้ก็ท่านเป็นอาคันตุกะเขาพเจ้าจะให้ยืมทรัพย์ที่จะจับจ่ายสิ่งของเพื่อจัดทําพัฒหารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านอนาถบินิกกะข้าบดีตอบว่าอย่าเลยพ่อเจ้าทรัพย์ที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดทําพัฒหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานของเขาพระเจ้ามีพร้อมแล้วพระเจ้าเป็นพิสารจอมทัพมังกรรัต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 สั่งให้จัดเตรียมของเคี้วของฉันอันปราณีตในนิเวศของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤึ๊แล้วให้คนไปกราบทูลพัตการว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพัฒหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาตรและจีวรเสด็จไป น, นิเวศของเศรษฐีชาวกรุงราชครึ๊ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพร้อมกับภิกษุสง์ลําดับนั้น ท่านอนาถปิเนกะข้าบดี์ได้นำของเคี้ยวของฉันแอมปราณีประเค้นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตาหารแล้วและพระหัตจากบาศจึงนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์ จงทรงรับนิมนต์ไปอยู่จำพรรษาณกรุงสาวัตถีของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าพดียตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญาคารท่านอนาถเบญกะข้าพดียกราบทูลว่าทราบแล้วพระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านอนาถเบญกะข้าพดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเพราะจะให้อาดหารแกวกล้า หลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีกถาสเสด็จลุกจากอาสนะแล้วสเสด็จกลับไปอนาถปินิกะสร้างพระเจดวันสมัยนั้นท่านอนาถปินิกะข้าบดีเป็นคนมีมิตรมากมีสหายมากประชาชนเชื่อถือคำพูดครั้นท่านอนาถปินิกะข้าบดีทำธุระในกรุงราชครึเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปกรุงสาวัตถีระหว่างทาง ได้ชักชวนคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงช่วยกันสร้างอารามสร้างวิหารเตรียมทานเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วและข้าพเจ้าได้ทูล น, นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์จะเสด็จมาทางนี้ครั้งนั้นคนทั้งหลายที่ท่านอนาถวินิกกะข้าพเดีชักชวนไว้ได้พากันสร้างอารามสร้างวิหารเตรียมทาน ครั้นท่านอนาถบวินกะข้าพรดีถึงกรุงสาวทีเที่ยวตรวจดูรอบๆกรุงสาวถีคิดว่าพระผู้มีพระภาคควรประทับที่ไหนดีซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปการคมนาคมสะดวกผู้อยากจะเข้าเฝ้าไปมาได้ง่ายกลางวันคนไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อยไม่มีเสียงอึกทึกร้ายผู้คน เป็นสถานที่พวกมนุษย์จะทำกิจที่รับได้เป็นสถานที่เหมาะกับการหลีกเร้นท่านอนาถาเปนิกะค้าพดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชษราชกุมารเป็นสถานที่มีไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปการคมนาคมสะดวกผู้อยากจะเข้าเฝ้าไปมาได้ง่ายกลางวันคนไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อยไม่มีเสียงอึกทึกไร้ผู้คน เป็นสถานที่พวกมนุษย์จะทํากิจที่ลับได้เป็นสถานที่เหมาะแก่การหลีกเร้นครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าเจ้าเชษราชกุมารถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ยกราบทูลเจ้าเชษราชกุมารดังนี้ว่าพระลูกเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระอุทยานแก่กระหม่อมเพื่อจัดสร้างพระอารามเถิดพระเจ้าค่าเจ้าเชษราชกุมารรับสั่งว่าข้าพดี ถึงแชากหาปณะมาเรียงให้ริมจดกันเราก็ให้อุทยานไม่ได้ท่านอนาถาปินิกะข้าบดีทูลถามว่าพระลูกเจ้าพระองค์ขายอุทยานแล้วหรือพระเจ้าข้าเจ้าเชษราชกุมารรับสั่งว่าข้าบดีเรายังไม่ได้ขายอุทยานเจ้าเชษราชกุมารกับอนาถาปิเนกะข้าบดีถามพวกมหาอมาตย์ผู้พิพากษาว่าอุทยานเป็นอันขายแล้วหรือยังไม่ได้ขาย พวกมหาอามาตย์ตอบว่าพระลูกเจ้าเพราะพระองค์ตีราคาแล้วอุทยานจึงเป็นอันขายแล้วจากนั้นท่านอนาถาปิณนกาข้าปดีสั่งให้คนงานนำากวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาดให้ริมจดกันในเชตวันเงินที่ขนออกมาครั้งเดียวยังไม่เพียงพอแก่พื้นที่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ซุ้มประตูท่านอนาถาปิณกาข้าพดีจึงสั่งพวกคนงานว่าพวกท่านจงไปขนเงินมา เราจะเรียงให้เต็มในที่นี้ขณะนั้นเจ้าเชษราชกุมารได้ทรงมีพระดําริดังนี้ว่าการกระทํานี้ไม่ใช่ของต่ําต้อยเพราะข้าบดีนี้บริจาคเงินมากมายถึงเพียงนี้ลําดับนั้นเจ้าเชษราชกุมารได้รับสั่งกับท่านอนาถปิณกะข้าบดีดังนี้ว่าพอเถอะท่านข้าบดีที่ว่างตรงนั้นท่านอย่าลาดเงินเลยให้โอกาสแก่เราบ้าง ส่วนนี้ข้าพเจ้าจะขอร่วมถวายด้วยครั้งนั้นท่านอนาถาปิณกะข้าบดีดำริว่าเจ้าเชษราชกุมารพระองค์นี้ทรงเรืองพระนามประชาชนรู้จักความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของผู้ที่ประชาชนรู้จักเช่นนี้มีประโยชน์มากจึงได้ถวายที่ว่างนั้นแก่เจ้าเชษราชกุมารลำดับนั้นเจ้าเชษราชกุมารรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูที่ตรงนั้น ต่อมาท่านอนาถเปนิกาฆ้าพดีให้สร้างวิหารหลายหลังไว้ในพระเจตวันสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันสร้างโรงไฟสร้างกัปยกุดีสร้างวัชกุดีสร้างสถานที่จงกรมสร้างศาลาจงกรมขุดบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างเรือนไฟสร้างศาลาเรือนไฟขุดโบครณีสร้างมณด านะว่าด้วยให้นวกรรมการก่อสร้างเรื่องช่างชุนผ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชครื้ตามพระอัจฉริยาายแล้วสเสด็จเจ้าริไปทางกรุงเวสาลีสเสด็จเจ้าริไปโดยลําดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุฏาคารศาลาป่ามหาวันในกรุงเวสาลีนั้น สมัยนั้นคนทั้งหลายทำนวกรรมอย่างกระตือรหรือร้อนอุปถาภิกษุทั้งหลายผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้วยจีวรบินธบาตเสนาสนะและคีลานปัจใจเพศปริขานโดยเคารพครั้งนั้นช่างชุนผ้าเข็นใจคนหนึ่งได้มีความคิดดังนี้ว่าการทำนวกรรมนี้ไม่ใช่ของต่ําต้อยเพราะคนทั้งหลายช่วยกันทานวกรรมทางที่ดีเราพึงช่วยทานวกรรมบ้าง ลำดับนั้นช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นจึงขยําโคลนก่ออีกตั้งฝาผนังขึ้นแต่ฝาผนังที่ก่อด้วยความไม่ชํานาญคตจึงพังทลายลงมาแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นก็ขยําโคลนก่ออีกตั้งฝาผนังขึ้นแต่ฝาผนังที่ก่อด้วยความไม่ชํานาญคตจึงพังทลายลงมาครั้งนั้น ช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นตาหนิประนามโพลธนาว่าพวกพระสมณะเชื้อสายสกยาบุตรอบรมสั่งสอนแต่พวกที่ถวายจีวรบินธบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเภสัตรเปรคารอำนวยการทำนวกรรมแก่คนพวกนั้นส่วนเราเป็นคนเข็นใจไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีคนอำนวยการทำนวกรรมให้ภิกษุทั้งหลายได้ยินช่างชุนผ้าเข็นใจนั้นตาหนิ ประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้เบิกกาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภา ค, ท ร, ารรภาคทรงแสดงทำเมียกะถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้นวกรรมได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนักธรรมนวกรรมต้องขนขายว่าทำอย่างไรหนอวิหารจึงจะสำเร็จได้เร็ว ต้องปฏิสังขรณ์ไสนาสนะที่สุดโทมวิธีให้นวกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้นวกรรมอย่างนี้เบื้องต้นพึงขออนุญาตภิกษุก่อนครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้ว สงเพงให้นวกรรมวิหารของข้าพดีแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงให้นวกรรมวิหารของข้าพดีชื่อนี้แปรภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้นวกรรมวิหารของข้าพดีชื่อนี้แปรภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง นวกรรมวิหารของขหาบดีสงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อาคาสนาที่อนุชานะ ว่าด้วยทรงอนุญาตอาสนะเลิศเป็นต้นเรื่องความเคารพครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงเวสาลีตามพระอันฉริยสยแล้วเสด็จจ้าริปยักรงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุอันเตวาสิก ข, ของพวกพิสุชาพาคีล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจับจองวิหารจับจองที่นอนโดยกล่าวว่า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 เรื่องผู้ควรได้อาสนะเลิศเป็นต้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุอันเตวาสิก ข, ของพวกภิกษุชาวคีไปก่อนภิกษุสงฆ์แล้วจับจองวิหารจับจองที่นอนโดยกล่าวว่าที่นี้เป็นของพระอุปชาทั้งหลายของเรา ที่นี้เป็นของพระอาจารย์ทั้งหลายของเราที่นี้เป็นของพวกเราจริงหรือพิกสุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตาหนิว่าพิกสุทั้งหลายชะไหนโมฆะบุรุษทั้งหลายจึงไปก่อนพิกสุสงแล้วจับจองวิหารจับจองที่นอนโดยกล่าวว่าที่นี้เป็นของพระอุปชาทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพระอาจารย์ทั้งหลายของพวกเรา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 พระพุทธเจ้าค่ะพุทธสุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้อานะอันเลิศนามอันเลิศบิณทบาทอันเลิศภิกษุบางผู้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะพุทธสุผู้บวชจากตระกูลพราหมณ์ควรได้อาสนะอันเลิศนามอันเลิศบิณทบาทอันเลิศพุทธุบางผู้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้บวชจากตระกูลข้าพเดี ควรได้อาศะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางผู้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ทรงสุตันตะควรได้อานะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศภิกษุบางพู้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ทรงพระวินัยควรได้อานะอันเลิศน้ำอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศ ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกควรได้อาศะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาตอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้ได้ปฐมฌานควรได้อาศะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุผู้ได้ทุติยฌาน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 ภิกษุบางผู้กราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ได้อภินยาหกควรได้อาณะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศเรื่องสัตสามสหายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในแถบเชิงเขาหิมพานมีต้นไซใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง สัตสามสหายคือนกกระทาลิงและช้างพลายอาศัยตน้นไทรนั้นอยู่สัตสามสายนั้นอยู่อย่างไม่เคารพไม่ยำเกรงกันและกันมีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันภิกษุทั้งหลายต่อมาสัตสามสหายปรึกษากันว่านี่พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้ว่าในพวกเราสามสหายผู้ใดคือผู้สูงวัยกว่ากัน จะได้สักการะเคารพนับถือบูชาและเชื่อฟังผู้นั้นภิกสุทั้งหลายครั้งนั้นนกกระทาและลิงถามช้างพลายว่าเพื่อนเอย๋ยท่านจำเรื่องราวเก่าๆอะไรได้บ้างเล่าช้างตอบว่าเมื่อเรายัางเล็กเราเคยเดินคล่อมต้นไทรต้นนี้ย่อใส่พอระท้องของเราเราจำเรื่องเก่านี้ได้ภิกสุทั้งหลายลาดับนั้น นกกระทาและช้างพลายถามลิงว่าเพื่อนจำเรื่องราวเก่าๆอะไรได้บ้างลิงตอบว่าเมื่อเรายังเล็กเราเคยนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดใส่ต้นนี้เราจำเรื่องเก่านี้ได้พิกษุ์ทั้งหลายลำดับนั้นลิงและช้างพลายถามนกกระทาว่าเพื่อนจำเรื่องราวเก่าๆอะไรได้บ้างนกกระทาตอบว่าเพื่อนทั้งหลายที่โน้นมีต้นไซใหญ่ เราขินผลของต้นไซนั้นแล้วถ่ายมูลไว้ที่นี้ไซต้นนี้เกิดจากผลของต้นไซนั้นดังนั้นเราจึงเป็นผู้ใหญ่โดยชาติกําเนิดภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นลิงกับช้างพลายได้กล่าวกับนกกระทาดังนี้ว่าเพื่อนบรรดาเราทั้งหลายท่านเคอผู้ใหญ่กว่าโดยชาติกําเนิดเราทั้งสองจะสักการะเคารพนับถือบูชาและเชื่อฟังท่านภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้นนกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทานศีลห้าทั้งตนเองก็รักษาศีลห้าสหายทั้งสามนั้นต่างเคารพยำเกรงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเสมอภาคกันหลังจากสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสกตตโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าติติริยพรหมจรรย์นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรม ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย น, นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและมีสุขติพบในเบื้องหน้าภิกษุทั้งหลายสัตว์ดิราชานพวกนั้นยังมีความเคารพยำเกรงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเสมอภาคกันภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอเป็นผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกัน ดำเนินชีวิตอย่างเสมอภาคกันจะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายการทำเช่นนั้นไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมิกคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรม อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศตามลำดับพรรษาอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงกี่การเสนาสนะของสงฆ์ตามลำดับพรรษารูปใดกี่กันต้องอาบัตทุกกฎ ทียาทิปุคละว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหว้เป็นต้นเรื่องบุคคลที่ไม่ควรไหว้สิบจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้สิบจำพวกเหล่านี้คือหนึ่งผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบทภายหลัง 2. ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน 3. สไม่ควรไหว้ภิกษุนาน า, นานสังวาสผู้มีพรรษาแก่กว่า เป็นอธรรมวาที 4. ไม่ควรไหวมาตุคาม 5. ไม่ควรไหวบันดอกไม่ควรไหวภิกษุผู้กำลังอยู่ปริวาส 7. ไม่ควรไหวภิกษุผู้ควรแก่การชชกเข้าหาอาบัติเดิม 8. ไม่ควรไหวภิกษุผู้ควรแก่มานัต 9. ไม่ควรไหวภิกษุผู้กำลังประพฤติมานัตส0ไม่ควรไหวภิกษุผู้ควรแกอ่อภาน ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว่สิบจำพวกเหล่านี้แลเรื่องบุคคลที่ภิกษุควรไหว้สามจำพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุควรไหว้สามจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทภายหลังควรไหว้ผู้อุปสมบทก่อน 2. ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาดผู้มีพรรษาแก่กว่าเป็นธรรมวาที 3. ควรไหว้พระตถาคต ผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุควรไหว้าสามจำพวกเหล่านี้แลอาสนะปฏิพาหณนะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามการกีดกันอาสนะเรื่องอันเตวาศิก ข, ของพระชะพคีสมัยนั้น คนทั้งหลายตกแต่งมณฑบจะเตรียมเครื่องลาดจะเตรียมบริเวณไว้เจาะจงพระสงฆ์ผู้ภิกษุอันเทวาสิกของผู้ภิกษุชาพาขีกล่าวว่าเสนาสะนะเฉพาะที่เป็นของสงฆ์เท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตตามลำดับพันษาไม่ได้ทรงอนุญาตของที่ทำเจาะจงล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจับจองมณฑ บ, บบ้างจับจองเครื่องลาดบ้าง จับจองบริเวณบ้างโดยกล่าวว่าที่นี้เป็นของพร ะ, ระอุปชาทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพระอาจารย์ทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพวกเราต่อมาท่านพระสารีบุตรไปภายหลังพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อมนดบถูกจับจองแล้วเมื่อเครื่องล่าถูกจับจองแล้วเมื่อบริเวณถูกจับจองแล้วเมื่อไม่ได้ที่นอนจึงนั่งหน้าที่ควงไม้ต้นหนึ่ง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 พระผู้มีพระภาคกรับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ภิกษุอันเตวาสิก ข, ของผู้ภิกษุชาวพัคีกล่าวว่าเสนาสนะเฉพาะที่ของสงฆ์เท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตตามลำดับพรรษาไม่ได้ทรงอนุญาตของที่ทำเจาะจงแล้วล่วงหน้าไปก่อนพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน จับจองมณโฑบ้างจับจองเครื่องลาดบ้างจับจองบริเวณบ้างโดยกล่าวว่าที่นี้เป็นของพระอุปชาทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพระอาจารย์ทั้งหลายของพวกเราที่นี้เป็นของพวกเราจริงหรือพิสษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงขีดกันแม้ของที่เขาทำเจาะจงตามลำดับพรรษารูปใดขีด ก, กันต้องอาบัตทุกกฎ